บทภาชณีติกะนิสักค <play story. S 2> ียาปาจิตตีห้ารี่สิทวงเกินสามครั้งยืนเกินหครั้งภิกษุสำคัญว่าเกินให้เขาจัดจีวรสำเร็จต้องอบัตนิสักคียาปาจิตตีทวงเกินสมครั้งยืนเกินหครั้งภิกษุไม่แน่ใจให้เขาจัดจีวรสำเร็จต้องอบัตนิสักคียาปาจิตตีทวงเกินสามครั้งยืนเกิน6ครั้งภิกษุสำคัญว่าหย่อนกว่าให้เขาจัดจีวรสำเร็จ ต้องอบัตรนิสสคียปาจิตตีทุกทุกกฏท่วงย่อนกว่าสครั้งยืนย่อนกว่า6ครั้งภิกษุสําคัญว่าเกินต้องอบัตรทุกกฏท่วงย่อนกว่าสมครั้งยืนย่อนกว่า6ครั้งภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตรทุกกฏทวงย่อนกว่าสาครั้งยืนย่อนกว่า6ครั้งภิกษุสําคัญว่าย่อนกว่าไม่ต้องอบัตร